วันนี้เป็นวันเกือบจะสิ้นปีวันที่31อวันพุ่งนี้เป็นวันปีใหม่กนัฐธายาจโยมลูกหลานแลก็พร้อมกันปีใหม่ก็ให้ครูบาทั้งหลายบอกพี่น้องชาวบ้านที่พวกรอไปบินทาบาทวันพุ่งนี้รับบินท่าบาทในวัดนะปีใหม่นะตักบาทรอบสาลา พี่น้องทางไกลก็คงจะมีมาตักบาตรด้วยเพราะฉะนั้นควรจะตักบาตรรอบศาลาหลังนี้แหละแล้วก็ให้พี่น้องชาวบ้านลูกหลานในสี่หมู่บ้านที่พระไปบินทบาทหหมู่บ้านที่พระไปบินธบาทให้มาใส่บาตรตักบาตรรอบบริเวณศาลาเหมือนกับพวกเราเคยทําวันสําคัญ วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญของพี่น้องประชาชนควรจะมาตักบาทมาร่วมมารวมกันแล้วก็ทางในครัวทางพวกเราให้เตรียมพร้อมพวกอุปกรณ์เหมือนกับพวกเราเคยทำทุกครั้งที่ผ่านผ่านมานั่นแหละพวกเราเคยทำงานผ่านงานตักบาทอย่างนี้มาแล้วก็คงไม่มีปัญหาหละมั่งนะ ช่วยๆกันดูทั้งพระแล้วก็พร้อมกันวันนี้หลวงพ่อได้แจกหนังสือพระธรรมเทศนาแนวทางการเจริญจิตภาวนาของหลวงพ่อนะหนังสือเล่มนี้เป็นของน้ำใจของคุณวสินอ่านเข้าไปของพวกเราคงจะรู้อะพิมพแจกเป็นธรรมทานโดยคุณ ว, ณวสินเตยะ ทิิและญาติธรรมพิมพ์ทั้งหมด 4,000 เล่มหลวงพ่อเอาไปแจกที่สวนแสงธรรมบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็ไปแจกที่จังหวัดภูเก็ต500เล่มแล้วก็ไปแจกที่วิทยุฝั่งช่างฝ่ายการบินไทย200เล่มแล้วยังเหลือคงไม่มากเท่าไหร่ ออกอะไรออกขึ้นมาที่นี้ประมาณพันกว่าเล่มนะแต่วันนี้ของหนังสือของท่านรัตนะอีกเล่มเล่มหนึ่งก็ถอดออกมาจากธรรมเทศนาของหลวงพ่ออีกเหมือนกันก็นกทําเล่มขนาดขนาดนี้แหละก็มาแจกก็ว่ามาแจากในปีใหม่เอามาแจกขึ้นปีใหม่แล้วหนังสือธรรมะ ที่หนังสือเล่มนี้หลวงพ่ออ่านอ่านดูเขาไว้เว้นวรรคตอนได้ดีมากตัวหนังสือใหญ่หนังสือถนอมสายตาสำหรับผู้สูงอายุแต่หลวงพ่อไม่ชอบอยู่ <c oughs> ไม่ชอบอยู่อย่างเนึงอคือภาษาหลวงพ่อนะภาษาหลวงพ่อหลวงพ่อให้ภาษาฟุ่มเฟือยเกินไปท่านก็ไม่ได้ตัดออกเขาคงจะเกรงใจกระมังทให้จริงภาษาหนังสือต้องตัดนะ ต้องตัดออกแต่คำไหนเป็นภาษาที่ฟุ่มเฟือย่ที่มันไม่ถูกกับยุคสมัยอย่างที่หลวงพ่อเพราะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่มากเกินไปอยู่ในนี้ละว่า ง, งั้นเถอะไม่รู้ว่าว่างั้นเถินมันคืออะไรเป็นภาษาฟุ่มเฟือยฮะแล้วก็มีลหลายๆคำอยู่ในนี้หลวงพ่ออ่านๆดูแต่เนื้อหาสาระแล้วหลวงพ่อว่า มีเนื้อหาสาระทีเดียวสำหรับผู้ใฝ่ในการศึกษาเหมือนกับเหมือนกับฟัง m p 3ของหลวงพ่อนั่นแหละแต่นี้เขาถอดเป็นตัวหนังสือแต่บางคนก็ฟังไม่ดีเท่าหนังสือแต่คนบางคนก็ฟังดีกว่าอ่านหนังสือ ส, สุดแท้แต่ผู้ที่จะสัมผัสทางตาหรือทางหูบางคนก็ฟังทางหูหนึ่ง พอฟังแล้วเข้าใจเสียงทํานองฟังแล้วเข้าใจเออพอมันฟังแล้วได้ภาษาได้อะไรเข้าไปสู่จิตใจฟังดีกว่าแต่บางคนเขาบอกอ่านดีกว่าเพราะอ่านถ้าไม่เข้าใจตรงไหนจะย้ำอีกกลับมาอ่านอีก อ, อ, อ่านจะดีกว่านี่แหละคนเราเนี่ยเพียงอ่านหนังสือเท่านี้ก่อนยังเป็นนานาจิตตังนาณ า, าทัศนะแล้วนะออมันมันไม่ตรงกัน แต่ทุกบางคนก็อก้ผมได้ฟังดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่หรอกผมได้อ่านดีกว่าลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็คือแนวความคิดหรือว่าแต่ละคนบางคนก็บอกว่าถ้าไม่เข้าใจกลับมาอ่านย้ำอีกก็ได้ถ้่าฟังผ่านไปแล้วผ่านไปแตผ่ผู้ฟังก็บอกว่าฟังมันถึงใจดีพอฟังเสียงทานอง ตรงไหนเสียงหนักเบาไหนะท่านจะเน้นฟังรู้สึกว่าดีกว่า น, ะนี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็ได้ยินลหลายๆลคนพูดนะอันนี้ก็คือหนังสือเดียวอีกวันนี้แหละจะมาอีกเล่มหนึ่งก็คงจะมาแจกหลวงพ่อมองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะดีกว่าแจกธรรมะเป็นของขวัญปีใหม่เนี่แหละของขวัญปีใหม่แนละ้วลูกหลานนะที่หลวงพ่อแจกไปเนี่ยให้ลูกหลานเอาไปอ่านเอาไปศึกษา ถ้ามีความรู้แล้วกินไม่หมดถ้าให้อาหารกินขนมกินกินเข้าไปแล้วก็หมดแล้วก็จบนะแต่ให้ธรรมะนี่ยจบไม่เป็น ค, คิดมาเมื่ อ, อไรอถ้าได้ศึกษาเข้าใจแล้ววิธีการทำตนอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรปฏิบัติกับพ่อแม่อย่างไรปฏิบัติต่อคนรอบข้างรอบด้านอย่างไร อ, อย่างนี้แหละ ถ้าพวกเราได้อ่านได้ศึกษาเข้าใจแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติเนตลอดตู่นน่ะช่วงชีวิตของพวกเราเลยถ้าพวกเราใยในการศึกษานะ เ, าเว้นเสียแต่พวกเราไม่ใยในการศึกษาเรียนรู้ก็อย่างว่าเหมือนกันนะ่ะเห็นอะไรขึ้นมาก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนเก่านั่นแหละนะเพราะเหตุไเพราะเราไม่ได้ใช้สติปัญญานะ วันนี้เป็นวันที่สาอ็ธันวาคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันสิ้นปีนะคณศรธาญาติโยมลูกหลานวันพุ่งนี้เป็นวันปีใหม่อ่ออย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวปีใหม่ให้พวกคณะศรธาญาติโยมลูกหลานมาตักบาตรทาบุญเพราะจะมาร่วมมารวมกันเออมาเห็นหน้าเห็นตากันปีหนึ่ง ปีใหม่หนึ่งลูกหลานก็คงจะไปทำการทำงานจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศก็กลับมาเมืองไทยมาเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเยี่ยมวงศานายาที่เรารักเคารพวันปีใหม่แต่ก็พร้อมกันก็ได้ผู้ที่ใฝ่ในการบุญการกุศล ก็รวมกันมาทำบุญทาทานตักบาตรทำบุญปีใหม่เพื่อรองรับคุณงามความดีเพื่อรองรับบุญกุศลเป็นการรับสิ่งที่ใหม่สิ่งที่ดีคือบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะวันที่หนึ่งมกราอันนี้พวกเราก็เด้พร้อมๆกันมาทำบุญมากราบพระวัดต่างๆ ก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นมากแล้วแต่ทั้งยังไงหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาของคณะทาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่ออยากจะเน้นย้ำกล่าวตักเตือนให้พวกลูกหลานทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานนี่วันก่อนว่าพวกเราปีแต่ปิดงบปิดงบบัญชี บริษัทห้างร้านรำมาค้าขายปีนี้ได้กําไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ตัวไหนตัวขาดทุนตัวไหนตัวกําไรพวกเราจะมีแต่ปิดงบการทํามาค้าขายแล้วเงินทุนของเราเท่าไหร่ปีนี้กับปีที่แล้วเป็นยังไงแต่พวกเราไม่ได้คิดเลยว่าจะปิดงบการดําเนินชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายชีวิตของพวกเราตั้งแต่เกิดมา จนมาถึงวันนี้หรือเราจะปิดงบถึงขนาดนะั้นมันก็ไกลเกินไปเอาเถอะปิดงบปี2558นี่แหละที่พวกเรามอ ง, มอง เ, หเห็นกันอยู่12เดือนเนี่ย เ, เราขาดทุนกำไรกไรอย่างไรอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายปิดงบตัวตัวเองเอตั้งแต่เดือนมกราปีที่แล้วมาถึงนี่แหละจะสิ้นปีนี่แหละเราคิดอะไรไปบ้าง ออกนอกรูนอกทางทำให้คนอื่นเดือดร้อนวางแผนที่จะทำความชั่วเสียหายคิดอะไรแล้วก็การกระทำของพวกเราเราได้ทำอะไรไปบ้างที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้ององศ์สากน า, ายาตหรือผู้อยู่ใกล้ชิดเราหนักใจทำให้เสียหายในการกระทำของเราเราได้โพดอะไรไปบ้างทำให้กระทบกระเทือน พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายผู้อยู่ใกล้ชิดเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนที่คำพูดของเราในคำนั้นเรื่องนั้นทำให้เสียหายวงสาคณญญาตไม่เข้าใจกันสิ่งเหล่านี้นะ่ยทั้งคิดก็ดีทําก็ดีพูดก็ดีอยากจะให้พวกเราทบทวนถ้าพวกเรามองดูแล้วจิงไหนที่มันไม่ดีแล้วก็มองในทางที่ดีอีกว่า ในปีที่ผ่านมาปี58เนี่ยเราคิดภาวนาพุโทโธเนี่ยโลกันบริกรรมภาวนากรรมฐานเนี่ยมากไหมเป็นที่พอใจไหมการกระทําของเราก็เช่นเดียวกันในสร้างสรรในทางบุญกุศลเนี่ยมากไหมในการพูดของเราก็เช่นเดียวกันพวกเราได้พูดในความพร้อมเพียงสร้างสรรค์ แนะนำบอกกล่าวให้กับคู่คนให้เป็นคนดออีที่เราแนะนำบอกกล่าวเป็นวาจาของเราเออสรุปแล้วก็คือคิดดีทำดีพูดดออีมากไหมปีสองพันห้า้อยห้าสิบแปดนี่แหละให้พวกเราปิดงบขาดทุนกำไรเขาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้หลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ในเมื่อเรารู้ว่าเราทบทวนดูแล้วว่า ทุนกำไรของเราปี58เป็นยังไงปีห้าสิเกเราจ ะ, จะตั้งตนตั้งตัวระมัดระวังในสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าจะส่งเสริมตัวตัวที่มันดี เ, เหมือนกับเราทาํามาค้าขายตัวไหนที่มันขาดทุนเราก็รู้ตัวไหนที่ตัวกําไรเราก็รู้จะทํำยังไงจะทําให้กําไรดีขึ้นไปกว่านี่แหละ อยากจะให้พวกเราทั้งหลายปิดงบนะปิดงบชีวิตรัวปิด Resource. ปิดงบการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปปิดงบตั้งแต่ธรรมมาค้าขายอย่างเดียวการธรรมมาค้าขายเป็นการปิดงบให้กับร่างกายการธรรมมาหาเลี้ยงชีพกคือการหาเงินปิดงบให้กับร่างกายแต่ปิดงบชีวิตที่การคบทวรดูเนะี่ยเป็นการปิดงบให้ทางด้านจิตใจ มันเป็นคนละแนวกันด้านจิตใจพวกเราควรจะปิดงบเหมือนกันคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วคิดดีทำดีพูดดีนี่แหละอันนี้ก็คือให้เราพวกเราทั้งหลายปิดงบดูถ้าพวกเราไม่ปิดงบนะไม่เคยคิดฉเฉลยจุดนี้นะ่ะการกระทำหรือการพูดออกอะไรออกไปก็จะเป็นไม่เป็นผลดีสำหรับพวกเราถ้าพวกเราทบทวนในตัวเองแล้วพวกเราหลงพ่อมั่นใจว่าพวกเราจะ ปรับปรุงแก้ไขในชีวิตของพวกเราได้ในปีต่อไปนี่แหละอันนี้ก็คือการปิดงบชีวิตแต่พร้อมกันเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยหลวงพ่อมีแต่บอกกล่าวย้ำเตือนลูกหลานทุกคนอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปแต่ละปีที่ได้ยินว่าคนในชาติดื่มเหล้า เอารถชนกันตายต่านั้นตายตัวนี้หลวงพ่อไม่ใช่จะดีใจนะหลวงพ่อรู้สึกสลดหดหูในกับลูกกับหลานคนที่ไม่ล้มไม่ตายกา็เหมือนกันหัวล่างข้างแตกหัวนอกพื้นขาหักแขนหักพิคงพิการตลอดชีวิตอันนี้ก็ไม่ใช่น้อยแต่มเมื่อวานก็ยังเห็นอีกเออเป็นเด็กหญิงอายุยี่สิบกว่า อันนี้ก็นี้พารถหมดรถยนต์ไปชนแล้วกันเนะโอ้พ่อแม่ก็มันู้จะทำยังไงพามาเห็นลุงพ่อเห็นแล้วโอ้หน่าสล ด, ดใจเอตาก็บอดทั้งสองข้างอีกต่างหากเอตายก็ไม่ตายแล้วจะทํำยังไงจะเลี้ยงไปกันไปถึงไหนอีกท่นี่แหละสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกลูกหลานคณะสัตายาญาตโยมทุกทุกคนให้วางชีวิตของพวกเราคิด ดูให้ดีว่าการกระทําสิ่งไหนก็ตามถ้าหากว่าต่อไปภายภาคหน้ามันจะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายสําหรับพวกเราพวกเราก็ควรจะร ะ, ว, ระวังระวังระวังตัวให้ดีเพราะเหตุไรถ้ามันเหลือวิสัยก็อีกอย่างหนึง่งมันสุดวิสัยอย่างหนึง่งแต่ตัวเองไปทําซะเองเลยเป็นเสพของหมืนเมาเสพยาเสพติดเข้าไปจนขาดสติเพราะความสนุกสนานเพราะความ ไม่รู้เท่ารู้ทันพราะความประมาทของตนเองพอไปทําเข้าไปอย่างนั้นเข้าไปแล้วเสียอนาคตเลยแต่เนี่ย เ, ออเสียอนาคตไม่รู้ใครจะจะเลี้ยงเราเออไม่รู้ใครจะเลี้ยงเ อ, อเราพ่อแม่กนนั้นะ่ะเท่าแก่ชราและจะให้พี่พี่น้องน้อ ง, องเลี้ยงดูเราแต่เนี่ยเป็นยังไงตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายจะทํำยังไงมันทุกข์นะลูกหลานนะถ้าคิดดูกให้ดีแล้ว วันนั้นหลวงปู่หลวงตาของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างหลวงพ่อเนะี่ยหลวงปู่หลวงตาพวกท่านนะหลวงพ่อจึงย้ำกล่าวตักเตือนลูกหลานทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนะลูกหลานนะทำอะไรก็ให้ยั้งคิดคิดดูให้ดีเอไม่ใช่ว่าอยากจะทําก็ทําตามอัตถาใจทําตามอําเภอใจแต่ผลมันออกมาแล้วนะ่ะมันไม่พึงปราถนานะมันยาวนานทีเดียว เป็นที่หนักใจของพ่อของแม่ของวงศาคนาญาติของสาปีภรรยาของลูกของหลานบรนทึกไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดจุดนี้ด้วยและก็พร้อมกันหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นลบปู่หล้มตาก็พยายามจะบอกกล่าวลูกหลานทั้งหลายให้ระลึกถึงบุญคุณผู้มีอุปกระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราทําไมจึงระลึกถึงปู่ย่าตายายเพราะ ปู่ย่าตายายของเราบางทีท่านท่านทำมาค้าขายท่านก็เป็นห่วงลูกห่วงหลานของท่านท่านก็เก็บหอมรอมริบมรดกต่างๆที่นนที่ไร่ที่นาที่รัว้วที่สวนท่านก็เก็บมาจากนั้นมาท่านก็มาให้ลูกของท่านในเมื่อลูกของท่านก็คือพ่อของเรานี่แหละพ่อของเราก็มาแจกแบง่งให้กับลูกๆทั้งหลายอีกต่างหากพวกเราบางคนก็มาเด็ดทํา เอบุกกลหัวหลักหัวต่อของไร่ของนาแต่คนโบราณที่ก่อนที่เขาจะได้ไร่ได้นาเป็นพื้นเออท้องไรท่ท้องนา น, นี่ยนะไม่ใช่ธรรมดานะีอ่อเขาจะต้องทําเออะไรต่อไม่อะไรเออหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก่อนที่จะได้เออแผ่นดินทำมาหาเลี้ยงชีพแต่พวกเราลูกหลานของเราเนะี่ย เข้ามาแล้วก็ซุบมือเปิบนะเพราะผลงานของปู่ย่าตายายพ่อแม่ของพวกเราเพราะฉนั้นพวกเรามาถึงจุดนี้พวกเราต้องระลึกถึงนะให้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ประวัติคือผู้ที่ทําคุณให้กับพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือกว่านั้ น, เ, น เ, เมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปแล้วพวกเราได้มาทําบุญอย่างวันนี้ละเรื่องวันต่อไปหรืองว่าที่ไหน พวกเราก็ควรจะทำบุญุทธิศสวนกุศลให้ท่านดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ที่มีพระคุณสำหรับเราตกอยู่ในสถานที่ใดหักตากท่าเวันท่านทั้งหลายเหล่านั้นตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์แต่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขริงงขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่อยู่ต่างๆ ในสถานะของเร า, เ, าเราก็แผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายาที่ทำไร่ทานาทำรัว้วทำสวนเลี้ยงพวกเร า, เาดวงวิญญาณ น, นั้นอาจจะมีความอาคาดพยาบาทอยู่เราก็แผ่เมตตาข้าไปเจ้าจงเป็นสุขขอดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณจงเป็นสุขข้าไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ทุกดวงวิญญาณก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆุดวงวิญญาณอันนี้ก็คือความในใจของเราเมื่อเรามาทําบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วเราควรจะแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยข้าพเจ้าต้องการความสุขขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอันนี้คือกว้างขวางนะั่นแหละท่าทาผู้ที่มีเมตตา ไปอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคู่ขนกับใครๆทั้งหมดพื่ออะไรเพราะใครก็ต้องการความสุขเราต้องการความสุขเราจะไปเบียดเบียนเขาทำไมในเมื่อเราเขามาเบียดเบียนเราเราก็ทุกเนะ่เมื่อเราไปเบียดเบียนเขาเขาก็ทุกเช่นเดียวกันเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวณนะจุดนี้นะคันสัต า, าจโจมอันนี้คือแนวความคิด สำหรับให้พุทธศาสนิกระนอย่ากพวกเราท่านทั้งหลายได้คิดจากนั้นก็ให้ระลึกถึงบุญคุณที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเราเป็นเด็กแบบอกเป็นยังไงมาถึงใหญ่ถึงขนาดนี้เราใหญ่ขึ้นมาได้ด้วยอย่างไรเราเคยเลี้ยงลูกไหมถ้าคับผู้ใดมีลูกมีครอบมีครัวมีลูกแล้วก็คงจะรู้ได้ว่าการเลี้ยงลูก ยากลำบากขนาดไหนพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาก็ไม่แพ้กันเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าให้ระมัดระวังในการที่จะพูดจะกล่าวจะดูถูกจะใช้คาพูดใดก็ตามเป็นเครื่องกระทบกระเทืนเอนจิตใจของพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ที่เกี่ยวข้องก็ให้ระมัดระวังในการเป็นอยู่จะพร้อมกันก็ให้ดูแลเรื่อง ปัจใจสีข้าวน้ําโภชนาอาหารที่พักผาอาศัยพ่อพวกเราที่จะช่วยเหลือท่านท่าอย่างไรนี่ให้พวกเราคิดทำไมเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบหลวงพ่อเคยย้ําอยู่เสมอนะออพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนนะเออนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ปล่อยปะละเลยนะลูกหลานคณศสัทยา ญ, ญาิโยมนะในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ยังทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านนะอย่างที่วันนี้แหะที่พวกเรามาทําบุญพ่อแม่ของพวกเราล่วงลับดับขันไปปู่ย่าตายา ย, ายตายไปก่อนแล้วเนะี่ย พวกเรามาทาบุญกับอุทิศส่วนกุศลเออข้าพเจ้ามาทาบุญในคราวนี้วันนี้ในพระสงฆ์ขออุทิศ ส, ส่วนกุศลป่อต่อผู้มีอุปกรณของข้าพเจ้าดวงวิญญาณท่านตกทุกข์ได้ยากอยู่อย่างไร ก, ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วนะก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะอันนี้คือ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านนะจะช่วยกันช่วยกันให้หน้าที่ของหลวงพ่อจะต้องคิดนะอุทิศวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณสําหรับพวกเราก็พร้อมกันค่ะให้พวกเราคิดอีกเลย <S 2> <S 2> <S 2> <S 2> กว่านั้นไปอีกแต่ไม่ใช่แต่คิดแต่เพียงแค่นี้เลยไปอีกก็คือชีวิตของพวกเราเนี่ยจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่ เ, เราเคยเห็นไหม ที่ผู้เกิดก่อนพวกเราเนะ่เป็นยังไงที่พวกเราเกิดก่อนพวกเราผู้ญ่าตายายแล้วก็ไม่ใช่ เ, เกิดรุ่นราวคราวเดียวกับเหมือนกับพวกเราก็เถอะเป็นยังไงชีวิตของเขาจุดจบเสียงเหล่านี้พวกเราก็ต้องคิดอีกเหมือนกันชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันไม่แพ้กับท่านเหล่านั้นเนี่ยอนพุทธพระพุทธเจ้าท่านก็นให้คิดนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้คิดให้ใหคิดว่า ชีวิตของเราจะยืนยาวไปกี่เดือนกี่ปีต่อนี้ไปไม่มีใครรับรองรับประกันได้เพราะชีวิตของเราเหมือนน้ำค้างใบบัวออพอลมพัดมาผ่าน น, ะะน้ำก็ก็ชอกออกจากใบบัวตกลงไปนี่ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราก็คล้ายนั่นแหละแต่ถึงยังไงจะทำยังไงในหลักของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้าจนกว่าตายแล้วไม่สูญ จุดนี้หละสำคัญนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอกนะีกอันนี้พวกเราต้องศึกษานี่จุดนี้แนหะอพอพูดถึงจุดนี้พวกเราก็บางคนก็ตะกิดตะขวางในจิตในใจว่าเอาทำคาไหนมาพูดตายแล้วไม่เห็นมาบอกมากล่าวแต่แต่ใช่ไม่บอกมากล่าวจริงแต่ว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะเป็นพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนาศึกษาเรื่องจิตตภาวนาเรื่องจิตตวิญญาณโดยตรงมาพูดอย่างนั้นได้เราไม่ได้ศึกษาอย่างอื่นเราไม่ได้ศึกษาวิชาอาชีพกฎหมายคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การเกษตรต่างๆในโลกเราไม่ได้ศึกษาจุดนั้นเราศึกษาเรื่องจิตวิญญาณ เออเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ตัวไหนเกิดตัวไหนศูนย์ศูนย์นี่ในหลักธรรมคาสอนของบพทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ที่โคลนต้นโพเนี่ยท่านนั่งสมาธิท่านค้นคว้าศึกษาจุดนี้แหละเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเรามาถึงวัดของหลวงพอ่อหลวงพ่อก็พูดให้ฟังว่าตายแล้วไม่ศูนยะ์น่ะตายแล้วเกิดอีกแน่เหตสิ่งที่ตายน่ยคือร่างกายตายแน่นอนเอแต่ว่าจิตใจคือนามธรรมนะ่ยตัวนั้นไม่ตาย ตัวรูปประทับน่คือร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถน่รถเนี่ยตายแน่แน่นอนแต่โซเฟอร์น่ไม่ตายออกจากรถนะรถมันตายเพราะมดรถหมดอายุรถมันพังอย่างพวกเราท่านทั้งหลายถ้าคนผู้มีเงินแล้วก็ซื้อรถไปลูกกี่คันไม่รู้กี่คันรถเหล่านั้นมันไปไหนมันเป็นซากเหล็กไปหมดแล้วพอห้าหกเจปี9ปี 10, ปีมันหมดสภาพ ต้องเปลี่ยนขันใหม่พอกี่เปลี่ยนขั้นใหม่ขึ้นมาก็เอา้าขั้นใหม่ก็ใช้ไปอีกนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละไอ้พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้รถคันนี้นหะคือร่างกายของเราคือรถคันนี้แหละแต่รถคันนี้รู้สึกว่าใจใช้นานนะลูกหลานนะไอ้บางคนก็ใช้ไม่กี่เท่าไหร่ก็ไปละหมดสภาพตายแต่บางคนก็ใช้ถึงแปดสิบเก้าสิบร้อยกว่าปีเออแต่ทึ่งใ่ก็เถอะ ถ้าถึงร้อยปีแล้วก็หมดสภาพล่ะต้องอาศัยคนอื่นพยุงไป ล, ละเนี่ยแหละต่ากว่าร้อยเนี่ยก็พอจะยพะยุงตัวเองได้เนี่แหละรถคันนี้มันหมดสภาพพอได้สู่กับเผามันหมดสภาพเลยทำไงก็ทิ้งแต่ก่อนเขาก็ทิ้งตามพงญ้านะ่ะแต่ทุกวันนี้เขาเอาเอาไปขายเศษเหล็กเ อ, อเป็นราคาอีกเหมือนกันนะเ อ, อขายเศษเหล็ก แต่แตะกอนพอมันหมดสภาพแล้วเข า, เาไปทิ้งขนไปทิ้งผงยาอันนั้นคือรถตายแต่นามธรรมาคือโซเฟอร์รถน่ออกจากรถน่จุดนั้นแหละสาคัญพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญเรื่องโซเฟอร์รถเนี่ยมากกว่าเรื่องของรถแต่พวกเราท่านทั้งหลายให้ความสําคัญเรื่องรถมากกว่าโซเฟอร์แต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษานั่น ท่านจึกให้ความสําคัญเรื่องโซเฟอร์จากนั้นกับพ่อแม่กูบายจานหลวงปู่หลวงตาของพวกเราท่านก็ให้ความสําคัญเรื่องของโซเฟอร์มากกว่ามากกว่ารถเพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้นะคำนี้ถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องฟังเอาไว้ก่อนออถ้าหากว่าไม่อยากจะพิสูจน์ก็ได้ในหนังสือที่หลวงพ่อแจกไปเมื่อกี้นี่แหละ เ, เรื่องวิธีทำสมาธิเนี่ยนั่นแหละเรื่องพิสูจน์ ทางด้านจิตใจถ้าว่าพวกเรานั่งสมาธิจิตใจสงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจผ่านความสงบได้แล้วนะเราจะรู้ชัดด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายนะเป็นคนละอันกันเป็นคนละเรื่องกันเป็นคนละอย่างกันแยกชัดเลยแล้วว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถเนี่ยละคนขับรถเนี่ยแหละเมื่อออกจากรถเราจะไปไหนถ้าไม่ไม่มีบุญไม่มีกุศล โชเฟอร์รถกันนั้นไม่ได้หาเงินเออพอได้รถมาแล้วก็ น, น่ะเอ่อขี่ไปขี่มาตลอดหน้าตลอดหลังกินเหล้าเมาจาเออมีแต่สิ่งที่มันชั่วช้าเสียหาย ม, มีแต่หาเออเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นไม่ได้หาเงินพอโซเฟอร์ออพอควันรถตนรถคันนี้มันหมดสภาพท่าน่ะเออพวกเราคิดดูซิว่าโซเฟอร์ไม่ได้ เตรียมการอนาคตเอาไว้โซเฟอร์จะต้องหมดแน่ๆเทไหารถคันอื่นไม่ได้อีกแน่นอนเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เตรียมการไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนออจากนั้นก็ออกจากรถคันนี้กับไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เลยเป็นเกิดเป็นลิงข้างบางชนิดไปเกิดได้ทั้งนั้นใจดวงนี้ไนงะเพราะพระธตศาสนาท่านสอนอย่างนั้นถ้าว่าพวกเราได้เตรียมการ เตรียมตัวเอาไว้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนั่นแหละเมื่อออกจากรถคันนี้ไปแล้วเราเลือกเกิดเราเลือกได้เลยว่า เ, เพราะเรามีบุญกุศลในจิตใจเราไปเลือกเกิดได้ไปเลือกได้เราจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปเกิดสวรรค์ชั้นใดหรือไปพร ม, มโลกทางว่าเราตัดกิเลสได้เราก็เข้าสู่นิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวตฏสงสาร ในลหลักพิสูจ์มันมีอยู่นะในหลักของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้แจกหนังสือพะนธุ์หลักวิธีการทําสมาธิเนะี่ยแหละนั่นแหละหลักพิสูจน์ให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายนะอย่าไปมัวเมียไปเชื่อทีเดียวอย่าไปมัวเมียปฏิเสธทีเดียวแต่นําตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราแล้วกันท่านพิสูจน์มาแล้วท่านจึงฝังตัวมอบกายถวายชีวิตไว้ใน พระพุทธศาสนามอบกายแตไว้ชีวิตต่อคุณงามความดีต่อบุญต่อกุศลเชื่อแล้วตายตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกทำจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะั่นแหละให้พวกเราศึกษาพอาวิชาในโลกที่มีมากมายที่จะต้องศึกษานะถ้าไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้นะอย่างมหาวิทยาลัวยวิทยาลัยโรงเรียน เอ่อหรือสถานที่ต่างๆสถานที่ศึกษาพุทธศาสนาก็เป็นแนงหนึ่งเอ่อที่พวกเราจะต้องศึกษาเหมือนกันนะถ้าพวกเราศึกษาเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะนี่แหละปีนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีเอ่อวันพุงน่งก็เป็นวันปีใหม่พนัธนหลวงพ่อเองขออำนวยอวยพรเอ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาของพวกคณะทายาตโยมลูกหลานทุกคน ที่ไฝในบุญในกุศลใยในคุณงามความดีถึงจะอยู่ห่างไกลจากหลวงพ่อนะเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออำนวยอวยพรให้กับคณะศรัทธาญาติโยมสิทธิยาธุสิทธิถึงจะอยู่ไกลก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถึงจะอยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ใกล้นะใกล้หลวงพ่อนะ แต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามถึงจะมากอดแข้งกอดขาหลวงพ่ออยู่ก็เถอะน ะ, ะจิตใจใฝ่ในทางต่ําเป็นอกุศลอันนั้นก็ไม่ใช่จู่ไกลคนละโลกกันกับความคิดของหลวงพ่อเหมือนกับพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอ่ะพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเตเทวทัตเนะี่ยอยากจะได้ลาบอยากจะได้ยศช่าง แข็งดีแข็งดินชิงดีเชีย ง, งเด่นกับพระพุทธเจ้าถึงจะอยู่ใกล้ไกลงกับเป็นอริเป็นจัตรูกันอันนั้นไปว่าอยู่ไกลกันคนละโลกพอไปกับพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานเทวทัตกับโลกอเวจีมหานรกเ น, นี่แหละอันนี้ของเหมือนกันนั่นแหละหลวงพ่อถึงจะอยู่กับคณะสิทธิอนุสิตอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละประเทศก็ตามในโลกเนี่ย ถ้าได้ยินเสียงหลวงพ่อหลวงพ่อขออำนวยอวยพรพรปีใหม่นะคณะทายาติโยมลูกหลานเน่าด้วยอำนาจกุลพัชศีรัตนาฏไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากรละโลกด้วยอำนาจบุญบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลาย หลวงพ่อรักเคารพนับถือเลื่อมใสและกั บ, บุญบุารมีของหลวงพ่อเองที่ได้บําเพ็ญมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุจจบันนชาติที่บําเพ็ญมาขอขอให้บา ร, รมีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นคุ้มครองลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดก็ตามอยู่ในกรอบของศีลธรรม ขอให้ความปรารถนานั้นสมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธิน